เสียงของการเคลื่อนไหวในป่าเบื้องล่างผ่านมาตามใบไม้แห้งและกิ่งไม้ที่หักหล่นอยู่กับพื้นดังใกล้เข้ามาทุกขณะเป็นการมาอย่าง ช, ช้าเป็นไปด้วยปิศนาเลา่ห์ s และรักษาสัญญาณเดิมของมันไว้คือหยุดหยุดขึ้นเคลื่อนคล้ายจะสแสวงหาเส้นทางอันไปที่จะสะดุกที่สุดภาวะเช่นนี้ทำให้หัวใจอันเฝ้ารอคอยของทุกคนแทบจะระเบิดด้วยความกระสับกระส่ายร้อนรุ่มประสาททุกส่วนขมิ้งเกลียวเครียด ครั้นแล้วช่วกั้นลมหายใจนั่นเองทั้งหมดก็แทบหัวใจหยุดเต้นเมื่อสิ่งอันเป็นเจ้าของเสียงได้ปรากฏเงาของมันขึ้นซูงขนาดสองคนโอบต้นหนึ่ง โผลหัวพ้นแนวบางของเหลี่ยมผาค่อยๆเคลื่อนมาตามเส้นทางด่านอันคดเคี้ยวนั้นสีอันแดงคล้ำของมันเป็นหนึ่งว่าจะย้อมให้ป่ารอบด้านกลายเป็นสีถานไฟไปหมดส่วนหัวกลมรีประกอบด้วยหนวดสั้นๆชี้แขวนไปมา2เส้นจุดดําเหมือนนินก้อนเท่าครบตําน้ําพริก2จุดอยู่ด้านบนทั้งสองข้างไม่ควรจะเป็นอื่นใดนอกจากในตาของสัตว์ในคุ้มนรกโกลกันเขี้ยวงงเข้าหากันมีขนาดเท่าข่าค ว, วายอยู่ในส่วนด้านต่ำของท่อนปลายหัวถัดมาก็เป็นลําตัวที่เป็นป้องและ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 เสียงของใครคนหนึ่งในคณะสำรักออกมาเหมือนคนกำลังจะสิ้นใจแล้วพินภัยวันขยี่ตาแล้วลืมตาขึ้นจ้องอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจที่สุดว่าสายตาไม่ได้โกงตัวเองช ย, ยันนั้นหายใจไม่ออกอ้าปากกว้างตาเหลือดารินขยยุ่มมือของพี่ชายอย่างลืมตัวจนมาเรียรินฝีปากขมุบขมิบรอมปูทานหาพระเจ้าเพว่าไม่มีเสียงใดผ่านลําคออันติดตันออกมาได้สําหรับกลุ่มพานพื้นเมืองบัดนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นเน็บชากันไปหมด คนที่พอจะพิสูจน์ได้ว่าสติดีเยี่ยมที่สุดลองไปจากจอมพานก็คือราชสกุลหนุ่มใหญ่หัวหน้าคณะเขาตบหลังเตือนน้องสาวให้รู้สึกตัวเราเคลื่อนออกจากที่ซุ่มเดิมค่อยๆปีนขึ้นไปหมอบเคียงเฝ้าดูอยู่กับระพินแต่ถึงอย่างไรลิ้นของเขาก็แข็งไปหมดปากก็หนักเหมือนมีอะไรมาถ่วงยึดไว้ไม่อาจเอ่ยคำใดกับจอมพานออกมาได้เหมือนอย่างเช่นที่ใจนึก ท่ามกลางวินาทีอันจังงางงงกันไปหมดทุกคนนั้นสิ่งมหัศจรรย์พันลึกก็ปรากฏซ้อนแทรกขึ้นอีกชนิดที่ทำให้เลือดแทบจับเป็นก้อนแข็งในแสงอันสลัวลางนั้นไม่เพียงแต่เจ้าตะขาบอสูรกายดุดภาพหลอนเท่านั้นที่กำลังเคลื่อนตัวของมันออกมาให้เห็นแต่มีอะไรติดตามมาพร้อมกับมันด้วย ดูยื้อเยื้อนุ่งนางไปหมดบ้างเกาะไต่อยู่บนลำตัวบ้างก็เกาะติดอยู่ที่ขาซึ่งกำลังขยับคเคยือนพุ้ยดินและบางส่วนก็ออแหแหนรายร้อมอยู่ใกล้ๆ ก, กระโดดยองแยงตามมาด้วยไอ้พวกผีกองกอยเจ้าผู้ภายเหล่านั้นกำลังช่วยกันเข็นเรือบกและเรือของมันก็คือตะขาบยักษ์มันจะพา ก, กันไปไหนเพื่ออะไรบางทีนรกเท่านั้นที่จะบอกได้ ภาพนี้อุบัติให้เห็นชัดในสายตาของคณะผจญภัยพร้อมกันทั้งหมดท่ามกลางแสงที่วาการที่ยังไม่สิน้นแต่ขาบที่เห็นชัดก็คือสัตว์เลื้อยคานประเภทมีพิษที่คณะผจญภัยทุกคนเคยเห็นและรู้จักมาดีแล้ว เพียงแต่ว่าขนาดใหญ่ที่สุดยาวก็ไม่เกินสอกและลำตัวก็อวบใหญ่ไม่เกิน3นิ้วฟุตไอ้มหาปลายนี่มันเท่าสุงใหญ่ๆทั้งต้นส่วนเจ้าผีกองกอยเห็นชัดในยามนี้มีลักษณะไม่ผิดอะไรกับลิงมันเคลื่อนไหวไปในลักษณะวิ่งขย่งแกงกอยเมื่อเปรียบเทียบกับลำตัวของตะขาบยักษ์พวกมันดูไม่ผิดอะไรกับมดหรือตัวริ้นไรที่อาศัยนาอมเกาะ ความน่าเกลียดน่ากลัวและน่าขยะแขยงที่สุดคือภาพที่ทุกคนแลไปเห็นในขณะนี้เกาะปนไปกับความสยองขนอัศจรรย์จใจหรือที่จะกล่าวมันมาด้วยกันได้ยังไงนี่คล้ายๆมันเป็นพวกเดียวกันนั่นแหละเชยฐานลุดปากออกมาได้อย่างยากเย็นที่สุดดังไม่เกินกระซิบเชยไว้ครับดูมันไปดูซิว่าพวกมันจะไปไหนกันรู้สึกว่ามันจะไม่สนใจหรือรู้ว่าพวกเราแอบกันอยู่ที่นี่ ถ้ายังทายอะไรไม่ถูกทั้งนั้นครับระยะที่เราซุ่มอยู่นี่มันต่ําไปซะแล้วถ้ามันไหวตัวคงถึงเราแน่จะขยับหนีขึ้นไปอีกก็ไม่ได้ซะแล้วรัพินตอบหันขึ้นไปมองทางนีที่ไล่เบื้องหลังอันเป็นส่วนของเชิงเขาที่สูงขึ้นไปอีกเขาคํานวณผิดไปจริงๆสําหรับระยะหลบซุ่มเพราะเจ้าสัตว์ล้ายมาหึงมาที่โผล่ออกมามันมีขนาดเกินความคาดฝันเมื่อเปรียบเทียบกับงูยักษ์ที่ต่างประเชิญกันมาแล้วแต่ขาบตัวนี้มีขนาดย่อมกว่ามากก็จริงเพราะมันยังไม่ถึงกับเป็นรถไฟทั้งข บ, บวนเหมือนไอ้อ ตัวนั้นแต่ชนิดและรูปร่างของมันซึ่งประกอบกับขนาดเท่าที่เห็นอยู่ถ้าหากมีอะไรมากระตุ้นเตือนให้มันสําแดงฤทธิ์เตจเต็มสภาพของมันขึ้นก็เห็นไม่ต้องสงสัยสำคัญกว่าอะไรคือมันจะต้องปรับเปลียวว่องไวกว่างูยักษ์ตัวนั้นมากทีเดียวมันจะเพิ่มขึ้นเป็นอัตราส่วนตวามความใหญ่โตมโหูรานของมันและมนุษย์ก็ย่อมมีสภาพไม่ผิดอะไรกับลูกหนูเล็กๆเท่านั้น ทั้งหมดได้แต่เพ่งเฝ้าดูด้วยอาการเป็นอมพาสแม้แต่ลมหายใจก็พยายามให้แผวเบาที่สุดประหนึ่งจะเกรงว่ามันจะแววไปถึงไอสัตว์ยุคหินตัวนั้นบรรคานเลี้ยวลัดมาตามทางด่านอย่างช่มช้าเป็นปกติเหมือนเดิมและไม่ผิดอะไรกับรถไฟเล็กในงานแสดงมหกรรมที่เคลื่อนไปตามรางในที่สุดก็โผล่สุดช่วงออกมาให้เห็นตลอดทั้งหัวและหางซึ่งกะว่าอยู่ในระยะราว20่กว่าเมตรส่วนทรงสันฐานของมันก็คือตะขาบเราดีๆนี่เอง พวกเจ้าผีกองกอยมารุมมาตุ้มแห่แหนรอบตัวมันนัวเนียอยู่เช่นนั้นดูราวกับว่ามันจะเป็นส่วนประกอบของกันและกันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพเงียบกริบลมก็สงัดหยุดพัดคงได้ยินเสียงแต่เรื้อดังสู้ๆของปีนนับร้อยๆคู่นั้นอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งเสียงก็ดีภาพที่เห็นก็ดีมันบีบความรู้สึกของคณะผจญภัยทั้ง11ชีวิตบนถูกกดจมลงไปใต้บาดาลยากที่จะบังคับจิตใจควบคุมสติไว้ได้ รถไฟสีแดงย่อมๆขบวนนั้นบ่ายหน้าเข้าหาด่านสามแพง่งมันหยุดชะงักนิดนึงเมื่อเห็นสิ่งแปลกปลอมอันเป็นกองสัมภาระของเหล่ามนุษย์ที่ทิ้งไว้กราดเกลื่อนขวางทางอยู่ข้างหน้าผ ง, งกสันหัวตั้งชูขึ้นมาสูงประมาณหนึ่งเมตรอันผิดแปลกไปจากธรรมชาติของตะขาบเล็กสามันแต่เป็นอาการเช่นเดียวกับงูมีเสียงลม ฟูฟู่เบาๆออกจากป่าใบไม้แห้งและฝุ่นเบื้องหน้าปิวกระจายว่อนออกไปเล็กน้อยเหมือนถูกลมพัดเบาๆแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนอย่างระมัดระวังเข้าไปทางกองสัมภาระเหล่านั้นสายหัวด้อมๆมองๆใช้ปลายหนวดที่โอนเอ็นไปมาแตะสัมผัสเหมือนจะคลำดูหรือมิฉะนั้นก็สูดกลิ่นหัวใจของทุกคนเต้นแรงขึ้นไปอีกมันคงรู้ว่านั่นไม่ใช่สิ่งอันเป็นธรรมชาติของป่าและคงได้กลิ่นของเรา ใช้ถาพูดอย่างไม่มีเสียงนอกจากริมฝีปากที่ขมุกคมิดอยู่ข้างซอกหนูของจอมพานจะเย็นๆไว้ก่อนครับลมกำลังสงัดมันยังไม่รู้ทางพวกเราว่าอยู่ไหนเราภาวนาขอให้มันเลยผ่านไปแต่ถ้าแสดงท่าผิดสังเกตจะบ่ายหน้าเข้ามาก็ยิงคงไม่เท่าไหร่หรอกครับมันตัวเล็กกว่าไอ้งูยักษ์ที่เราผจนกันมาแล้วตั้งหลายเท่ากยิงไปที่ส่วนหัวอย่างเดียวท่าทางมันจะปาดเปลือกกว่างูยักษ์มากทีเดียว หัวหน้าขณะครางชั่วงขณะหนึ่งที่ทุกคนร่วมสถานการณ์วิกฤตในขณะนี้ย่อมคิดเหมือนกันหมดนั่นก็คือระลึกไปถึงแงซ า, ายแน่นอนที่สุดมแมนแม้ว่าจอมพเนจรผู้นั้นอยู่ร่วมด้วยในยามนี้มีธนูติดระเบิดไนโตรถือกระชับมั่นอยู่ในมือเจ้าตะขาบตัวนี้ย่อมกลายเป็นเรื่องเล็กไม่ต้องมานึกบนบานภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองอยู่ในขณะนี้ทว่าอ น, นิจจาแงซ า, ายจากไปเสียแล้วจากไปโดยไม่มีใครบอกได้ว่าจะมีโอกาสพบเห็นเขาได้อีกหรือไม่ มันดมๆๆอยู่ที่หอบสัมภาระอยู่คู่เดียวระหว่างนั้นพวกพูดภพยก็กระจายกันออกแต่รูปคำมีท่าทีเหมือนจะรู้ค้นดูอย่างสนใจอากับกริยาของมันเหล่านั้นไม่ผิดอะไรกับฝูงวานอนที่พบกับสิ่งที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ก็น่าแปลกใจที่ว่าเจ้าผีกองกอยพวกนั้นไม่ได้กระทำเสียงใดๆขึ้นเลยพวกมันป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่ที่กองสัมภาระอย่างเงียบๆ ช่วระยะเวลาที่รู้สึกว่าผ่านไปอย่างแสนจะชื่องช้ายาวนานนี้ต่อมาทุกคนก็เห็นอสุรกายในรูปของตะขาบตัวนั้นเปลี่ยนความสนใจของมันเรือช่มช้าเช่นเดิมตรงไปที่ต้นพิกทอดลำตัวไตขึ้นไปบนโขดหินบริเวณนโคนต้นแล้วค่อยๆชูส่วนหัวชะเง้อขึ้นไปบนอากาศ เห็นส่วนท้องและตีนอันยุ่มยาบอย่างถนัดชัดเจนตะกายอากาศอยู่ไวๆเป็นระรอ้อส่วนหัวที่ชูขึ้นนั้นค่อยๆสูงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งถึงกิ่งระดับต่ำที่สุดตีนที่เห็นตะกุยอากาศอยู่นั้นก็เกาะเข้ากับกิ่งใบต้นพิกสะเทือนโยกไหวไปทั้งหมดเพราะน้ำหนัก มันและเล็มเก็บกินเม็ดพริกเหล่านั้นอย่างโอชะและเพลิดเพลินยิ่งราวกับว่านั่นจะเป็นอาหารโปรดประจำของมันท่ามกลางสายตาที่จ้องตะลึงที่ซุ่มของคลายมนุษย์มันเลมกินทั้งยอดอ่อนกิ่งใบและเม็ดล็ดที่ออกเป็นเครือเหล่านั้นเสียงต้นพริกไหวหยุ่คืนค ทันใดนั้นเองใครคนหนึ่งในกลุ่มผ่านพื้นเมืองที่สุ่มมองตัวเกรงอยู่ไกลๆก็ถลายเสียหลักเหยียบก้อนหินก้อนหนึ่งขนาดครบหินย่อมอมลุกจากบริเวณดินร่วนพัดหลุดกลิ้งกุกๆลงไปเบื้องล่างประทะแง่หิน และลงไปเป็นลำดับในความเงียบสงัดเช่นนี้เสียงของมันดังก้องสนั่นวันไหวไปหมดคล้ายกับว่าภูเขาจะพังทลายลงทักระลุกมันกระดอนลงไปถึงด่านแล้วก็กระเด็นต่อเข้าไปยังโคนต้นพลิกนั้นพึิบตานั่นเองป่าก็ดูเหมือนกลายเป็นไฟบรรลัยกันในบัดนั้นเจ้าพวก ผ, ผีกองกอยส่งเสียงร้องแหลมแซ่สนั่นขึ้นพริบเดียวก็กระจายหายเข้ากุ่มไม้ไปหมดพร้อมกันก็ปรากฏเสียงขู่คำรามฟูฟ่อสัตว์ยักษ์ต็นยุ่งย่ามตัวนั้นพุ่งตัวป่ด ปากฏเสียงดังตุมสนันลงมากลางด่านลำตัวของมันบุนเคว้งกวายแกว่งอย่างรวดเร็วไปรอบด้านอย่างสำเนีจกรหัสศัตรูพุ่มพงข้างเคียงถูกลำตัวของมันฟาดแหลกกระจืยอกระจายเป็นแปง้ง อาการเคลื่อนไหวของมันในครั้งนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วว่องไวเกินคาดหมายผิดกับที่เห็นครั้งแรกหน้ามือเป็นหลังมือมันม้วนตัววาดแว้งอยู่บนเนินฟากตรงข้ามนั้นแล้วชูคอผงาดราขึ้นสายไปมาเหมือนจะค้นหากลิ่นเคลื่อนมาข้างหน้าถอยไปเบื้องหลังและหมุนไปรอบๆฝุ่นคลุ้งตลบไปหมดและเห็นเขี้ยวงงขนาดเขาควายขยับอยู่เป็นจังหวะพร้อมทั้งเสียงพ่นลมออกจากปากอย่างดุร้ายตลอดเวลาอากาศอันสว่างอยู่นั้นก็ดูเหมือนจะมืดมนอนละธาลงไปทันที ขนาดจิตหนึ่งที่ทุกคนถูกอำนาจความตนกสะกดให้กลายเป็นหินรับผิดภัยวันเล็งศูนย์กล้องเวเทอร์บีจุด460ที่ประทับพร้อมอยู่แล้วบนซองไหลจับไปที่ระหว่างกลางของเขี่ยวสองอันที่อ่า่ร่าอยู่ สติสัมปะชัญญาของเขาพร้อมมุนอยู่เหมือนเดิมอย่าเพิ่งยิงจนกว่ามันจะพุ่งขึ้นมาเขาร้องสั่งทุกคนแต่ช้าไปซะแล้วหางเสียงของจอมพานถูกกบด้วยกำปนาสนันวันวาของไรเฟริลกระบอกหนึ่งมันคือจุดแม็าแมกนัมของมาเรียฮอฟมันผู้ซึ่งไม่สามารถจะคกลุ่มสติได้อีกต่อไป เป้าหมายของลูกปืนจะเป็นส่วนใดของเจ้าตะขาบยักษ์ก็เหลือที่จะเดาแต่เท่าที่เห็นส่วนคออันชูร่าของมันผงะไหวเป็นเล็กน้อยแล้วพริบตาเดียวนั้นเองมันก็ฟาดตัวอีกครั้งพุ่งด้วยอาการกระโจนมาเบื้องหน้าซึ่งเป็นชายเดินที่คณะทุกคนหลบตัวแข็งอยู่เรื้อยพูดพลาดส่วนควันปืนเข้ามาแทบจะดูไม่ทัน วินาทีดับจิตนี้เองปืนอีกสิบเอ็ดกระบอกก็ระเบิดประสานกันหูดับตับไมมท่ามกลางเสียงร้องเ อ, งอะอะโวยวายฟังไม่เป็นภาษาเป็นการยิงอย่างอิสระและเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเอาชีวิตรอดชนิดที่ตัวไขรตัวมันอย่างน้อยที่สุดก็ชั่วขณะหนึ่งของสถานการณ์อันขันงสุดขีดนี้ เพราะกระสุนนัดแรกของแม่สาวนั่นเองทำให้จุด460ของพานใหญ่ที่กำบะนาตติดตามออกไปผ้าจับจุดสำคัญที่เล็งไว้ก่อนแล้วอย่างน่าเสียดายที่สุดและภายหลังที่เขาลั่นมันออกไปแล้วก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าถูกเข้าที่ใดหรือไม่เพราะจังหวะเหนียวกาเป็นจังหวดที่มันลดหัวพุ่งขึ้นสายซะก่อนแล้ว เชฐาชายันและดาวรินยิงเข้าจุดเดียวกันหมดคือกลางลำตัวค่อนไปทางหางซึ่งมันไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนอกจากจุดชนวนแห่งความเกลียยกลาดดุร้ายของมันให้เพิ่มทวีขึ้นส่วนกลุ่มกระสุนของพวกพานพื้นเมืองก็เด็ดเฉพาะข า, ข, า ข, ของมันให้ขาดปิวกระเด็นออกไปเพียงหาหกขา ร่างอันใหญ่โตยาวเหยียดสะบัดกวาดแกล้งเป็นพายุใต้ฝุ่นกระทบก้อนหินที่งอกอยู่เสียงสนั่นหวั่นไหวแล้วพลิกกลิ้งงายท้องไปช่วยพิกตาเดียวก็มูนกลับขึ้นมาทรงตัวได้อีกหรือพาดพาดขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยความโกรธแค้น ทั้ง11คนกระจนออกจากที่อย่างจวนตัวเพ่นไปคนละทิศคนละทางไม่เป็นขบวนมาเรยิงนัดที่2ผ่านเข้าไปสีข้างอันยาวเหยียดของมันแล้วตัวเองก็เสียหลักตีรังกากิ้งลุนลุนลงไปเบื้องล่างชัยยันกระโดดบังก้อนหินใหญ่วิ่งอ้อมมาอีกด้านหนึ่งแย่ปากกระบอกจุด60ในโตัเข้าไปที่ลำคอของมันขณะที่แวงตัวเข้าใส่เชิ้าพกําลังกระชากลูกเลื่อนอยู่แล้วกดตุ่มออกไปทั้ง2ลําก้องพร้อมกัน มันผงะหัวแก่งไปเท่าๆกับที่ตัวเขาเองก็ถูกแรงสะท้อนถอยหลังทีบหายท้องวิ่งตามมาเรียงลงไปทางลาดนั้นอีกคนหนึ่งไลเฟอร์ดุดจากมือกระเด็นไปไม่รู้ทิศทางดารินผะหันหลังวิ่งหนีไปตามแก่งโขดหินในขณะที่ส่วนหัวของมันสายพลาดๆตามหลังมาเพียง 4-5 ่าวาพี่ชายผู้ล้มลุกคลุกคลานอยู่ริมซอกหินก็กรน่ำลูก้าร้อยเกรของแมกนัมแอฟริกันอัดเข้าให้ที่ลาตัวของมันอีก สนลับผินวิ่งกระโจนขึ้นไปบนยอดหินก้อนใหญ่พยายามจะมองหาส่วนหัวอย่างไมมั่นเขายังไม่สามารถสังเกตได้ถนัดนอกจากลำตัวอันแดงเถอะที่พาดผ่านไปมาอยู่ระหว่างพุ่มไม้และก้อนหินรอบด้านพอได้ยินเสียงร้องหวิดของน้องสาวนายจ้างซึ่งยังไม่รู้อนาคตว่าจะเป็นเช่นไรในมุมบังของก้อนหินอีกลูกก็จำต้องกดลุกปืนใส่เข้าไปกลางลำตัวเท่าที่พอจะเห็นได้ถนัดโดยหมายเล็งไปยังส่วนที่น่าจะเป็นที่ตั้งของกระดูกซึ่งก็ยังบอกไม่ถูกว่ามันจะอยู่ในระดับไหน เสียงกระสุนแดงสูงอันมีอำนาจยิ่งยงที่สุดกิกล้องขึ้นปานฟ้าผ่าฝุ่นจะก้อนหินใต้ลำตัวของมันแตกกระจายด้วยอำนาจหัวกระสุนที่แล่นเจาะทะลวงผ่านเขาก็หงายหลังตกลงไปจับยอดหินก้อนนั้นเป็นคนที่สามเพียงแต่ว่าสติดีพอที่จะไม่ยอมปล่อยอาวุธหลุดมือและหล่นลงมาติดหมอบกระแตอยู่ที่พงไม้ไม่ถึงกับร่วงลงไปเบื้องล่างอานาจของจุดสหนับเอน สั่นสะเทือนมันได้อย่างมากที่สุดเหนือกว่าทุกบาดแผลสีสากของมันก็ชูร่อนขึ้นมาให้เห็นพร้อมกับเขี้ยวที่อ้ากว้างต่างหนเนื้อค่อมอยู่เหนือก้อนหินบนศีสากของเขาระยะนี้เองมันเป็นเป้าหมายอันทนัดทนีที่สุดซึ่งฝ่ายมนุษย์ที่กระจัดกระจายสู้พังหลบพังหลีอยู่ตอนนี้จะมองเห็นได้แต่ทุกคนก็อยู่ในสภาพที่ตะเกิยตะกายหนีแทบจะตั้งตัวไม่ติด ดารินนั้นหลบเข้าไปในโพงเห็นแคบๆกดตัวอยู่ในนั้นไรเฟิลของหล่อนหลุดจากมือไปเมื่อไหร่ไม่ทราบเกิดเสยจนันและบุญคำํำขยินแล่นลงเนินไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้หนีเอาตัวรอดพวกนั้นหันกลับขึ้นมาสอดกระสุนใส่เป็นประทัดแตกจากมุมต่างๆปากก็ตะโกนเสียงลงฟังไม่ได้ทราบว่าพูดอะไรมั่งมีสั่งปาคุณเดียวที่ไต่หนีขึ้นที่สูงและหมดโอกาสที่จะช่วยยิงได้เพราะกําลังตะเกียกตะกายแง่เห็นชันอยู่ชายยันหายไปทางไหนยังไม่มีใครรู้ ส่วนมารียพอตั้งตัวติดก็พุ่งเข้าไปยังก้อนหินใหญ่ริมหน้าบองล่างแล้วที่นั่นเองแมมสาวปล่อยกระสุนอย่างมีสมรรถภาพที่สุดหลอนยิงรวดเดียวติดต่อกันขึ้นมาได้ถึง3นัดซ้อนจากจุดสามในมือทุกนัดเจาะเข้าบริเวณก้านคอได้ยินเสียงหัวกระสุนที่ทะลวงผ่านเนื้อของมันไปอย่างถนัดพร้อมทั้งสเก็ดเสือ่อมเนื้อที่ปิวกระเด็นว่อนออกไปแต่ลูกปืนของหลอนมันก็มีหน้าตัดเล็กเกินไปไม่สามารถที่จะกดส่วนหัวของมันให้ราบซุบลงมาได้นอกจากสายราบมองหายเหยื่อยังกดแขนอยู่เช่น ขณะนี้จึงมีอยู่เป็น3ามคนเท่านั้นที่อยู่ใกล้จมูกมัจจุราชที่สุดคือรบพินผู้แอบบแอบบางบงรอจังหวะอยู่ที่คนก้อนหินใหญ่ด้านข้างจ้องเพื่อจะหาโอกาสโผล่ออกไปปล่อยกระสุนนัดสุดท้ายของเขาซึ่งถ้าหยุดมันไม่ลงก็หมายความว่าเขี้ยวของมันย่อมถึงตัวเขาแน่นอนอีกคนนึงก็คือเชิดาผู้คลานใจ หายใจคว่มอยู่ในพุ่มไม้เหนือมันขึ้นไปเล็กน้อยโอกาสรอดของเขาอยู่ที่มันยังไม่ทันจะเห็นลงมาและคนสุดท้ายก็คือดาบินซึ่งมุดอยู่ใต้ซอกเห็นใกล้ๆตัวมันอย่างไรก็ตามปากทางเข้ามันเป็นซอกแคบเกินกว่าส่วนศีรษะของมันจะโผล่ล้ำเข้าไปได้ ตะขาบใหญ่ลดหัววูบลงต่ำหลีกหลบจากหากระสุนที่มาเรียรและพวกผ่านพื้นเมืองศาสตร์ประดังขึ้นมาอย่างอื้ออึงและดูเหมือนจะหาทางกข้ควรว่าระหว่างสัตูอันเป็นมนุษย์สามคนที่ล้มลุกคลุกคลานอยู่ใกล้มันที่สุดในขณะนี้มันสะดุกที่จะขย้ำใครเป็นเยือก่อน และพิมพตะกนสุดเสียงเรียกดารินและเชิฐาเพื่อจะทดสอบดูว่าทั้งสองราชสกุลพี่น้องอยู่ในสถานการณ์เช่นไรเพราะเขาไม่สามารถจะมองเห็นได้เชิฐาได้ยินแต่ก็ไม่กล้าจะให้เสียงตอบออกไปนอกจากหมอกสุ่มสงบนิ่งกั้นใจกลัวว่าเสียงของเขาจะเรียกไอ้ตะขาบยักษ์ให้เลียวมาพบซึ่งเขาไม่มีทางจะหาที่หลบกํบบาบังได้ปลอดภัยที่ใดเลยในพงไม้เล็กๆ เ, เช่นนี้แต่เสียงแหลมของดารินร้องตอบออกมาเกือบฟังไม่รู้เรื่องว่าฉันอยู่นี่อยู่ใต้ก้อนหินใหญ่ลูกนี้คุณชายล่ะ ไม่เห็นนั่นคุณอยู่ตรงไหนบังอยู่คนหินด้านล่างรุ่งเดียวกับคุณหญิงนั่นแหละกำลังมองหาส่วนหัวของมันยิงที่อื่นหยุดมันไม่ได้ บอกอยังไม่ทันขาดคําพานใหญ่ก็ผงะหลังตาเหลือกหัวอันแสนจะน่าเกลียดน่ากลัวของไอ้ยักษ์เขี้ยว ง, งูโผล่ราบเลียดกับก้อนหินใหญ่ลูกนั้นขึ้นมาอย่างช่ำช้าลักษณะค่อยๆเลื้อยหย่อนลงมาจากยอดที่กำบังหลบของเขาประจันหน้ากันในระยะใกล้อ ย, อย่างถนัดชัดเจนที่สุดห่างพินไม่เกินห้าวาเท่านั้นรับพินแว้งปากกระบอกไรเฟริลเข้าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่กําลังจะมีอยู่เหนี่ยวไกตูมแล้วไม่รอดูผลทันทีที่ลูกปืนพ้นลากล้องออกไปก็ทิ้งตัวคว่ำหน้าลง กับพื้นเสียงมันพ่นลมฟ้าและพุ่งหัวลงมากระทบบริเวณซอกที่เขายืนอยู่ดังสนั่นหวั่นไหวคมเขี้ยวที่หนีบเข้าหากันกระทบกับแง่งหินกล่วมได้ยินถนัดช้ากว่านั้นอีกพิบตาเดียวร่างของเขามีหวังขาดสองท่อนเหมือนถูกกันไกลยักษ์หนียังไม่คิดชีวิต จอมพานผู้บัดนี้ไม่ได้ห่วงถึงอะไรแล้วนอกจากชีวิตของตัวเองแต่กายกระเสือกกระสนลากตัวเข้าไปใต้ซอกหินก้อนนั้นซึ่งมีระดับสูงกว่าพื้นเพียงสอบเดียวไรเฟริลประจำมือหล่นอยู่ตรงนั้นเองเขาได้ยินเสียงมันคูอย่างโกรธแค้นสั่นหวั่นไหวขึ้นอีกครั้งร่างกายอันใหญ่โตบานดาวหูบางมืดมิดอยู่ตรงบริเวณช่องแคบจํากัดนั้นดูเหมือนมันพยายามจะใส่หัวในลักษณะชะโงกล้วมตามเข้ามาแต่ติดขัดที่ขนาดอันใหญ่เป็นซุงของตัวมันเองรอดเข้ามาได้แต่หนวดส เส้นที่ใหญ่เท่าเชือกมันิลากระดุกกระดิกดุลกระทบเขาแล้วผินกัดฟันครื่งตัวกระดืกหนีให้ลึกเข้าไปอีกแล้วก็รู้สึกว่ามีมือของใครคนหนึ่งคว้าไหล่ของเขาช่วยฉุดลากให้ลึกเข้าไปใต้โพรงแคบนั้น มอรหวรีงดาวินวรลลาลิตผู้นอนหลบตัวสันเทาอยู่ก่อนแล้วโดยมุดเข้าไปหลบอยู่คนละด้านกับเขาแต่แรกโพรงใต้หินใหญ่ก้อนนั้นเป็นช่องทะลุถึงกันขณะที่เขากำลังตะกิยตะกายมุดหนีเป็นเวลาเดียวกับที่หล่อนคืบลึกจากด้านตรงข้ามเข้ามาถึงพอดีหล่อนจะร้องบอกอะไรกับเขาก็ฟังไม่ได้สัพท่ามกลางความใจหายใจคว่ำอุลมภูขีดสุดนี้เบื้องนอกก็แท่สนันไปด้วยเสียงปืนปานจะถล่มป่า กฎสัมเนียงใดๆทั้งหมดสิ้นพักพวกจะกระจัดกระจายอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้แต่ก็ช่วยซาวโวซัดกระหน่ำกันมาอย่างอุตัติรุปตายแน่ละพินเราไม่มีทางจะเอามันอยู่พอจะจับกระแสความได้เราๆนอกจากเสียงร้องของดารินที่สำลักกรอกช่องหูเขาละพินพลิกตัวจากท่านอนงายมาเป็นนอนคว่ำอย่างรวดเร็วตะโกนสุดเสียงส่งปืนสั้นให้ผมราชกุน ยัดเยียดจุดสเจห้าในมือของหล่อนจอมพานรับมากำไว้แน่นแขนอีกข้างหนึ่งอกค้อมกายหญิงสาวไว้กดให้นอนราบนิ่งอยู่กับพื้นสอดสายตาออกไปจากช่องหินใต้นั้นแล้วสัดเปี้นออกไปเท่าที่จะมองเห็นส่วนของมันปากกดบังซ่องอยู่ อะไรไม่ผิดกับเข็มหมดุดที่เจาะทิ่มต่ำผ่านเนื้อยั่วยุให้มันยิ่งทวีความดุร้ายร้อนขึ้นสุดขีดร่างอันใหญ่โตนั้นถอยบูบหายลับไปจากช่องที่มองเห็นอยู่นั้นอีกอุดใจเดียวก็โผล่มาล่อหน้าให้เห็นถนัดอยู่ช่องเห็นด้านตรงข้ามแสดงว่ามันเบนหัวอ้อมมาอีกทางหนึงจ้องที่จะเล่นงานเดือสองคนซึ่งหลบอยู่ใต้ก้อนหินก้อนนั้นให้ได้โดยไม่หันไปสนใจกับใครอื่นอีกทั้งสิน้นชั่วรอยจะได้กลิ่นแน่ชัดและมองเห็นถนัดกว่าคนอื่นๆ บันดันหัวเข้ามาพร้อมกับเสียงครูคำรามในลักษณะเดิมดาวินร้องออกมาสุดเสียงอย่างฝันหายหลับตาแน่นด้วยความสยองใจผ่านใหญ่โอบรัดร่างของหล่อนไว้แน่นกระชากหดตัวให้หลีกหนีไปด้านตรงข้ามตล่งคลุกขลักจวนตัวกันอยู่ในซอกแคบแคบนั้นายหนวดอันน่าขยะขยายสองเส้นสายดุกติกเหมือนวงปลาหมึกยื่นใหญ่เข้ามาห่าจากกายทั้งสองที่หมอบ ตัวกอดกันคุดคูนแน่นอยู่เพียงฝ่ามือเดียวเท่านั้นปลายเขี้ยวอ้ากว้างแล้วหนีเข้าหากันเสียงกอดกอดแหว่งไวเรียดดินให้เห็นซึ่งอยู่ข้างหน้ามันพยายามที่จะเสือกสอนนุดหัวเข้ามาให้ได้ดันหัวชนก้อนหินจนลันกึก แล้วผินเปลี่ยนปืนสั้นมาถือไว้ได้มือซ้ายเพราะไม่สามารถจะใช้มือขวาได้ถนัดโดยการโผลเข้ามาให้เห็นของมันทางด้านนั้นแต่แล้วก่อนที่เขาจะล่อยกระสุนอันลำบากยากยินนัดนั้นออกไปได้นั่นเองก็ได้ยินเสียงจุดห้จากเชิฐาเบื้องนอกระเบิดกึกกร้องระยะอันใกล้ชิดที่มันล่อหัวเข้ามาเผชิญหน้าอย่างมุ่งร้ายหมายควันอยู่ในขณะนี้ทําให้ได้ยินเสียงหัวกระสุนอันทรงพลังแล่นเข้าประทะส่วนใดส่วนหนึ่งบริเวณหัวของมันอย่างถนัดแล้วคว้านทะลวงผ่านออกไปกระทบหินแฉลบคลางเฟี้ยวบาดหัว สังเกตเห็นบริเวณนั้นแตกกระจุยเป็นฝุ่นพร้อมๆกับของเหลวเป็นเมือกข้นบางชนิดจากร่างของมันที่กระเด็นเป็นฝอยเข้ามาถูกกายเขากับดารินราวกับใครเอาวุ้นเหลวๆมาสาดสิ่งที่เห็นในพริบตาต่อมาของบรรยากาศที่เปียบไม่ผิดอะไรกับฟ้าถล่มนี้ทําให้รัฐพินต้องอุทานลั่นออกมาด้วยความยินดีมองเห็นความหวังขึ้นทันที ส่วนปลายยาวประมาณหนึ่งสอกของเขี้ยวอันแหลมงุ้งของมันหักสะบันเหมือนจะมีอะไรมาเด็ดขาดตกอยู่ตรงปากโพงห่างจากเขาเพียงว่าเดียวพร้อมกับส่วนหัวที่สะบัดรูปหายไปคุณชายยิงหัวมันเข้าแล้วเขาร้องออกมาอย่างลืมตัวความหวังอันมืดมนเริ่มจำใสเห็นรูทางหลบอยู่ในนี้ก่อนผมจะออกไปทางด้านโน้นพร้อมกับละล่ำละลักบอกผ่านใหญ่ใช้ข้อศอก คลืบลากตัวออกไปทางช่องที่เขาหลบเข้ามาครั้งแรกโดยเร็วเสียงดารินตะโกนลั่นเตือนมาแต่เขาไม่สนใจพอโผลออกมายืนได้ก็ก้มลงคว้ารอยเฟลที่ตกอยู่ขึ้นส่งนัดใหม่เข้ารังเพิงกระโดดไต่ขึ้นไปบนก้อนหินย่อมๆอีกลูกหนึ่งแล้วก็เห็นภาพอย่างถนัดอีกครั้งท่ามกลางเสียงโวยวายของพรกพวกรอบด้านมันกําลังเลื้อยสายคดเคี้ยวอยู่ไปมาพุ่งเข้ า, สาใส่เชิฐาผู้วิ่งกระเจิงไปตามไหล พับด้านเหนือขึ้นไปอำนาจของกระสุนหลายต่อหลายนัดที่เจาะปุ่นอยู่ตามร่างกายในขณะนี้ทําให้การเคลื่อนไหวเชื่องช้าลงและที่สําคัญที่สุดเขี้ยวหักไปข้างหนึ่งซะแล้วทําให้มันไม่สามารถจัดบทขยี้เชิดาได้แต่ก็ยังพุ่งตามอย่างเจ็บแค้นอาฆาตหลายต่อหลายครั้งที่มันสืบหัวเข้าถึงเชิดาแต่สวรรค์เข้าข้างเค้าแท้ๆที่มันไม่สามารถจะใช้เขี้ยวอันเป็นอาวุธสําคัญที่สุดของมันได้นอกจากทื่อเข้าใส่เช่นนั้น รับพินกั้นหายใจยกปืนขึ้นลรงอย่างปาณ่ที่สุดในเป้าหมายถนัดทนีที่เขาเพิ่งจะได้โอกาสนี้แต่กากระบาดสูนกล้องฉับเข้าไปที่บริเวณหัวของมันยิงสูงขึ้นไปทางส่วนปลายด้านหน้าใกล้เคียงกับลูกในตาแล้วเหนี่ยวไกลตูมร่างของจอมพานที่ยืนห่างอย่างหมินเมบนยอดโคดหงายขึงลงมาจ้าเบ้าแต่ภาพอันประทับ ตาตึงอยู่ในความรู้สึกของทุกคนปากกดขึ้นพร้อมกันไอ้ยักษ์ที่กำลังสืบตัวรุกไล่หัวหน้าคณะอยู่พลิกไายท้องผึ่งราวกับมีมืออันทรงพลังมาจับไห่ขึ้นแล้วกลิ้งกับหน้ากับหลังในสลักษณะอันแข็งทื่อปะทะซุมไม้และโขดหินล่วนลงไปทอดกายยาวเหยียดหัวซกติดดินแน่นิ่งอยู่ดังเบื้องล่างคงมีแต่ส่วนปลายหางเท่านั้นที่สะบัดกวัดไกวตีดินอยู่พึ่บๆแล้วค่อยๆช้าลงเป็นลําดับท่ามกลางความตะลึงงานของทุกคนที่มีสภาพเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ กว่าจะเรียกหาและสำรวจตัวตากันให้ครบหน้าทั้ง1ิบอคนก็กินเวลาอยู่ครู่ใหญ่ทุกคนอยู่ในอาการสปักสมบอมทุรักทุเลกันไปหมดและพากันเป็นใบ้ไปชั่วขณะพูดอะไรไม่ออกสีหน้าของแต่ละคนซีดจนเขียวแม้กระทั่งผ่านใหญ่เองผู้มั่นคงที่สุดเหนือกว่าทุกคนในคณะ ชายยันเจ็บตัวมากกว่าทุกคนเพราะกลิ้งลงมาระทะหินอย่างแรงจนถึงกับจุกนอนนิ่งไปชั่วขณะระหว่างที่คนอื่นๆโรมรันกันอยู่อย่างถึงเลือดถึงชีวิตเสกับจันเป็นคนช่วยกันชุดประคองเขาออกมาจากซอกหินที่หล่นลงไปนอนแองแม้งอยู่ภายหลังจากที่ตะขับยักหมดฤทธิ์เดชลงไปแล้วใช่ถาโชคดีที่ระหว่างนีพางยิงพางแล่น เอาเถอะเจ้าล่อกับมันอย่างกระเจิงและเป็นคนที่ถูกมันกวาดล่าอย่างออกเป็นออกตายที่สุดไม่ได้ขาแพงซ้ารอยเก่าเข้าอีกครั้งอย่างที่ทุกคนเป็นห่วงมาเรียได้รับบาดแผลกะโหลกตอกเปิรกและคิ้วแตกเลือดโชกส่นดารินบอกไม่ถูกว่าจุด30เวทเทอร์ปีของหล่อนตกหายไปที่ไหนบุญคําต้องไต่ขึ้นไปหาและเก็บมาให้หลังจากสํารวจดูปรากฏว่าหล่อนยิงออกไปได้เพียง2นัดเท่านั้นน้อยกว่าทุกคนเพราะจวนตัวซะก่อนรัพพินก็เสื้อขาดยับเยินเลือดซิกไปทั้งตัว มีสมตงปาคนเดียวที่แทบจะไม่มีบาดแผลอะไรเลยเพราะหนีอย่างไม่ยอมสู้ซึ่งทุกคนก็ให้อภัยเพราะรู้นิสัยของเจ้าผ่านต่องสู่ดีอยู่แล้วพักใหญ่หลังจากนั้นทั้งหมดก็เข้ามายืนมุงพิจารณาดูที่ตะขับยักษ์ด้วยใจอันหอเหี่ยวหมดแรงชิบหายไองแง่้ายแอกคาลอนสืบบอกได้ว่าตัวเท่าฝากระดานเดือนที่แท้เท่าต้นสูงทั้งต้นชัยยัน ผู้ยังกลืนกลุ่มท้องจุกเสียดสะบัดอุอิบหน้าตาเยเกแทบไม่เป็นผู้เป็นคนขณะนี้ทุกส่วนของมันสงบนิ่งเป็นดุสดีไปแล้วสแสดงว่าตายสนิทกระสุนจุดสี่หกแมกนัมของรับพินนัดสุดท้ายพุ่งเข้าระเบิดเป้าหมายสำคัญอย่างแม่นยำํำทะลุกลางศีรษะระหว่างตาทั้งสองผ่านเลยออกไปเบื้องล่างตัดสมองด้วยอานาจ ทำลายอันเฉียบขาดยิ่งสำหรับบริเวณลำตัวส่วนอื่นของมันไม่ต้องพูดถึงแม้จะถูกลูกปืนที่ช่วยการระดมยิงเข้าใส่แทบจะตลอดทั้งตัวแต่ความใหญ่โตของมันทำให้แทบจะค้นหารอยพบไม่นอกจากเศษขาห้าหกอันที่กระเด็นขาดหล่นอยู่ ก็ไหนพวกเราไม่มีใครเชื่อยังไงตอนที่เขาบอกคราวนี้เจอของจริงเข้าให้สมใจไมล่ล่ะดารินว่าเสียงยังไม่ไวายสันมาเรียใช้ปลายลํากล้องไอรเฟิลของหลอดใหญ่กระทุ้งไปที่ลําตัวของมันเหมือนจะยังไม่แน่ใจว่าตนเองได้ฝันไปหรือเปล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นพูดอะไรไม่ออกอยู่ตามเดิมเช็ขาเปิดกระติกบรั่นดีขึ้นดื่มสลากอิดเพื่อดับความรู้สึกแล้วส่งต่อไปให้คานใหญ่ผมนึกว่าไม่ใครก็ใครพวกเราต้องตายกันบ้างโชคดีเหลือเกินที่ทุกคนปลอดภยัย หัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นพอๆก็มีหวังมากทีเดียวครับถ้าไม่ใช่เพราะคุณชายยิงเขี้ยวมันหักไปข้างหนึ่งซะก่อนกระสุนนัดนั้นของคุณชายมีความหมายที่สุดผมเห็นมันกําลังล้วงหัวเข้าไปใต้ก้อนเห็นลูกที่น้อยสุกตัวเข้าไปหลบอยู่ตอนนั้นก็เราไม่ถูกเหมือนกันว่าน้อยเป็นอย่างไรบ้างแล้วเห็นหัวมันก็ไม่ถนักนัก ยิงสุ่มส่งเด็เข้าไปอย่างนั้นเห็นมันพงโงกซบหัวนิ่งไปอึดใจนึกว่าอยู่แล้วที่งไหนได้พอเงยขึ้นมาได้มันก็กวดไล่ผมเลยคงจะกระทบเขี้ยวอย่างเดียวแล้วเท่านั้นไม่ได้ถูกสมองเชษฐถาก่าวพร้อมกับถอนใจยาวเอื้อมมือไปลูกคำไรเฟิลอันเป็นสมบัติตกทอดมาจากด็อเตอร์ฮอฟมันสามีผู้วยชนของมาเรียซึ่งขณะนี้ยังถืออยู่ในมือของพานใหญ่อย่างพอใจ ไม่เสียแรงเลยที่คุณอุษาหอบพิว้วเจ้าเวเทอร์บี B, กระบอกนี้มาด้วยไม่ได้มันพวกเราเห็นจะแย่ไปตามๆกันเพิ่งจะมาเห็นประโยชน์เอาตอนนี้ผมเชื่อว่าตั้งแต่ขนาดจุด3 7 5, ขึ้นไปก็ยังพอไหวครับสำหรับเจ้าสัตว์ตัวนี้ขอเพียงให้เจาะเข้าขกลางสมองเท่านั้นส่วนมากพวกเรายิงพลาดไปถูกส่วนอื่นของมันหมด แล้วเขาก็ใช้ปลายลํากล้องปืนชี้ให้ดูบาดแผลเวอวะแวกเป็นรูขุ่นที่ก้านคอของมันความจริงเมยิงได้ดีมากเจาะคอทุกนัดแต่ต่ําไปนิดถ้าเล็งให้สูงกว่า น, นี้มันจะเสยใต้คางทะลุออกสมองไอยักษ์นี้คว่ำไปนานแล้วลักษณะของสัตว์ที่ไม่เคยชินมาก่อนทําให้กัดกันไม่ถูกว่าจุดไหนเป็นจุดสําคัญที่สุดของมันฉันไม่เคยเห็นตัวอะไรที่รูปร่างอย่างนี้แล้วใหญ่โตเท่านี้มาก่อนเคยเห็นคล้ายๆกันแต่ตัวมันยาวแค่คืดเดียวเท่านั้นนักนิรุติศาส ท, ทางออกมา จากการซักไซสสอบสวนภายหลังนาทีมัจจุราชความจึงปรากฏจับต้นเหตุได้ว่าขายินเป็นคนทำก้อนหินกลิ้งหลุดลงไปเพราะความตื่นเต้นตกใจประมาพวกผ่านพื้นเมืองยกเว้นสั่งปาคนเดียวช่วยกันลุมดา่าเจ้านักเลงโตหล่มช้างอื้อๆไปหมดมึงไอขยินไอตัวดีมึงเกือบทำให้พวกเราตายกันหมดทุกคน ปืนคำเตะพักเข้าให้ที่ก้นขยินยิ้มแห้งๆไม่โตตอบอะไรทั้งสิ้นได้แต่พึมพำสะบัดสบานอยู่ในลําคอคนเดียวใครเป็นคนยิงขึ้นก่อนกันนี่ฉันแววเสียงและพินร้องบอกว่าไม่ให้ยิงยังไม่ทันจะขาดเสียงก็โคมเข้าให้แล้วชัยยันหันไปถามทุกคนเพราะเหตุการณ์จุบละหุพลละหมาดขีดสุดนั้นทําให้ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรฉันเองแหละต้องขอโทษด้วยถ้าฉันเป็นต้นเหตุให้ทุกคนเดือดร้อนฉันระงับความตกใจไว้ไม่ได้ตอนที่มันชูหัวร้อนขึ้นทําท่าคล้ายจะรู้ว่าพวกเรา บบซ่อนอยู่ที่นี่มาเรียนสารภาพอ่อยๆก็ดีแล้วที่คุณยิงนัดแรกนั้นออกไปถึงอย่างไรพวกเราก็อยู่เหนือลมไม่วินาทีใดวินาทีหนึ่งมันจะต้องได้กลิ่นและพุ่งเข้าใสา่แน่และผิดกล่าวขึ้นเพื่อให้แม่มสาวคลายกังวล ที่ผมห้ามไว้แต่แรกก็เพียงแต่หวังไว้ว่ามันอาจจะไม่ได้กลิ่นเราแล้วเลื้อยผ่านไปเสียโดยถือมติว่าหลบเลี่ยงจะดีกว่าที่จ ะ, ะเผชิญหน้าความจริงพวกเราน่าจะเสียชีวิตกันไปบ้างแล้วถ้าไม่ใช่เพราะมันเป็นสสายตาสั้นอาศัยเพียงแต่สูดกลิ่นเท่านั้น